50 languages. เหตุผลบางประการามเามเุามาเกละะะเสร ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะมุ झ े व ज วัจนกัมกนนะเดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะ मैं नहींखा रहा าू้ क्योंकि म, म ु झ มุ ज न कम วั न น ह กัมกนทำไมคุณไม่ดื่มเบียค่ะอาบเบียร์คิวเนี่ยหิปีเรดิฉันต้องขับรถค่ะ มุารถขับรถค่ะฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะฉันไม่ดืมราว่ัคุณนไม่ดื่มกาะว่ต้องขับรถค่ะฉันไม่ดมเย็นแล้วค่ะต้องขับรถคฉันไม่ดื่มเาแฟเพราะมันเยองแล้รค่ะ ผมกาแฟไม่ดื่มเพราะว่ य มันเย็นทำไมคุณไม่ดื่มชาคะคุณชาเยี่ยงทำไมไม่ดื่มเพราะไม่มีน้าตาลค่ะฉันไม่มีน้ำตาลฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้าตาลค่ะฉันไม่ดื่มชาเพราะาไม่มีน้ำตาลค่ะ ทำไมคุณไม่ทานซุปอาบซูปคือยูนิพีร์เรียนเหดิฉันไม่ได้สั่งค่ะแม่เนืซูปก็ออเดอร์ไม่ไดีย่าเหดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะแม่ซุปไม่เด้ย่าห้าหุ้ฮทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะ ดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะแม่สับซีโคร์หูแม่ v e g e รีย i a n หูดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะแม่กช์ต์ไมข้าตาหูเคยุคีแม่สับซีโคร์ห